อิทธิปาติหารเทวดาทัศนะของพระพุทธศาสนาต่อเรื่องเหนือสามัญวิสัยสิงอ่านหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายบทที่20เรื่องเหนือสามัญวิสัยอิทธิปาติหารและเทวดาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออประยุตโตจากต้นฉบับไฟล์ p ี f ของทางวัดยานเวสส ก, กวรซึ่งระบุว่าพิมพ์ครั้งที่ห้าบห้า ก่อนฟังเนื้อหาจากหนังสือขอแนะนำเกี่ยวกับเสียงอ่านเพื่อเข้าใจภาพรวมเบื้องต้นก่อนดังนี้เรื่องเหนือสามัญวิสัยในบทนี้คือเรื่องฤทธิ์ปาฏิหารและเรื่องเทวดาหรือเรื่องเท พ, พเจ้าต่างๆซึ่งรวมไปถึงอำนาจโดนบันดาลของขลังวัตถุมงคลหรือที่เรียกกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนทั่วไปว่าควรเชื่อแค่ไหนและควรปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไร ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อตอนเองและสังคมไม่ว่าจะเชื่อว่ามีจริงหรือไม่ก็ตามตัวอย่างหัวข้อภายในหลักของพุทธศาสนาต่อความเชื่อและการปฏิบัติต่อเรื่องเหนือสามัญวิสัยอิทธิปาฏิหารคืออะไรและแค่ไหนปาฏิหารในพระไตรปิฎกไม่ใช่แค่ริษแต่มีถึงสามอย่าง พระพุทธเจ้าทรงรังเกียจและสันเสริญปาฏิหาริย์ชนิดใดอิทธิฤทธิชนิดอาริยะและชนิดอนาระยะเป็นอย่างไรโทษแก่ปุตชนในการเกี่ยวข้องกับเรื่องฤทธิสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอำนาจ ด, ดนบันดาลเปรียบเทียบฐานะกันระหวางมนุษย์กับเทวดาความสัมพันธ์กับเทวดาที่ควรเลิกโทษจากการหวังพึ่งเทวดา มีมากกว่าผลที่ได้รับอย่างไรความสัมพันธ์แบบชาวพุทธระหว่างมนุษย์กับเทวดาที่ถูกต้องและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อสิ่งเหนือสามัญวิสัยอิทธิปฏิหารในพระไตรปิฎกและคำผีทางฝ่ายเทรวาดเรื่องของพระอินทร์สัจจกิริยาทางออกที่ดีสำหรับผู้ยังหวังอำนาจดนบันดาลพระพุทธเป็นมนุษย์หรือเทวดา คุณลักษณะแห่งศักยภาพของมนุษย์ที่อยู่สูงสุดเหนือเทวดาทั้งปวงอ่านโดยอริยคุณชมรมผลดีร่วมจัดทำโดยเจ้าภาพหลักอัศวินอารัตเทียนงามครอบครัวสินทวัตเอกลักษ์เลิดวรลักษ์เจ้าภาพรองครอบครัวสีโพคาสุเมธคุ้มวงศันทนาเบิกบานซอภาวิชยาดามุงวิชาณพั ช, ชทวินกมลพัฒ